ผมจะเล่าประวัติเรื่องความเป็นเมือเจตคภของผมครับแต่บอกคนคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้ครับไม่เข้าใจผมไปปฏิบัติธรรมะผมไม่รู้ซ่งสิ่งที่ผมรู้ก็มีมีมากครับซิ่งที่ผมไม่รู้ก็มี ค, คือผมไม่รู้เรื่องนิพสน์ตอนที่ผมรู้ธรรมะ ใไม่ๆนี่ครับผมไม่รู้เรื่องวิปัสสนุครับผมเป็นวิปัสสนุผมเป็นวิปัสสนุตั้งแต่เสาวๆครับจนแรงที่ผมยังรู้วิปัสสนุนี่มันอยากเรามาก็่คนสอบเราจิตใจไม่ไม่มันไม่ตอนโยนครับจิตมันมันเข้มแข็งจิตใจมันรู้แต่มันรู้มันแก้ทุกบุไดครับแก้ทุกได้น้นนอยนี่ว่า ปัญญาเกิดขึ้นทีแรกที่สุดแล้มันเกิดที่ปัสนิพอที่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั้นคือผมรู้เรื่องรูปนามเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตจะเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ผมหมดจริงๆครับผมไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้อย่างนี้ขึ้นมนมันเกิดความรู้สนิดหนึ่งผมมันไปคุ้มใจกับควมรู้ที่มันเกิดขึ้นมานั้นครับ ผมก็เลยไปเกิดพอใจความรู้อันนั้นเมื่อผมพอใจในความรู้อันนั้นมันก็จะพาผมรู้คิดไปร้อยอันพันอย่างลอยแปดพันประการมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็เลยภูมิใจดีใจกับว่าได้ภูมิใจกับว่าได้เลือกปีติกับว่าได้ครับมันรู้อย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมรู้รู้ก็เลยติดอยู่ความรู้อันนั้นเหมือน ก, นกันกับที่ว่ามีสิ่งที่สุกปรก มาติดเนื้อติดตัวเราเราเลยไม่รู้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่สุขภพเหล่านั้นเราก็เลยล่างไม่เปลี่ยนคําว่าล่างไม่เป็ี <c oughs> าาป่นนี่คือบุเห็นข่มคิดครับมันรู้มันบุเห็นก่มคิดมันเข้าไปในข่มคิดอันก่มคิดเห่านี้ครับมันคิดเข้ามาแล้วเ ข, เข้าไปในก่มคิดมันก็เลยออกจากข่มคิดบุได้เมื่อออกจากข่มคิดบุได้มันก็เลยพาเรารู้ไปครับอันนี้เป็นวิปัสสนาครับ อันนี้วิปัสสนูวิธีที่แกนั้นผมเราไม่เห็นผมคิดเมื่อมันคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บอย่างนี้ก็อันนี้วิปัสนูก็ค่อยลดไปลดไปผมรู้นะันก็เลยค่อยหมดไปหมดไปครับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆครับขอเตือนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอีกเทีหนึ่งครับ mm hmm. คือพิธีเป็นวิปัสสนูนะครับแต่ห้ามไม่ได้ หรือบางคนอาจจะห้ามได้ก็ได้แต่ทุกคนต้องเป็นผมเข้าใจนะและผมเคยสอนกันมาหลายคนครับทุกคนต้องเป็นครับบปมากกันน้อยครับแล้วแต่บุคคลที่จะเป็นน้อยเป็นมากครับเป็นน้อยเป็นหลายพอดีมันเป็นที่ปัสโนเนี่ยครับอย่าไปห้ามมันเลยผมคิดนะถ้าไปห้ามเนี่ยมันจะเกิดอึดอัดจิตใจครับมันจะอยากหนีทันทีให้มันเป็นยกกาะจำสร้างมันครับแต่เราผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่สอนข้าเจ้านี่ปล่อยใหมันเป็น แต่เราต้องไปรักษาบนนี้ไปรักษาไปอุม้มไปจับอยู่ใ น, นบน่เน่คือไปรักษาคือย้ายมันคิดออกไปนอกแนวคิดก่อสร้างนั้นต้องบอกอกันไปว่าคิดแล้วก็แล้วไปย่าไปสนใจกับความคิดความคิดนั้นอย่างมากบวกเกินห้ามือครับผมเคยสอนมาแล้วความคิดนั้นจะลดลงลดลงลดลงมันก็เลยเป็นปกติครับเมือม่อมาเป็นปกติแล้วห่ามาแน้นนะมันกับเจ้าเบอร์ความคิดที่ครับ ให้เข้าใจว่าวิปัสสนูมันลดน้อยลงไปแล้วมันก็บ่มีทิฏฐิครับข่าวกําลังมันเป็นวิปัสสนูอยู่ฮันหอจิเบวให้มันฟังมันบ่มีฟังไหมครับมันจีเอาแต่อานาจของมันเพราะว่าทิฏฐิอันนี้มันมีมานะวิปัสสนูที่มีมานะมีทิฏฐิกล้าแขงจิตใจมันบ่อ่อนโยนจิตใจมันกล้าแขงมันสามารถถกเถียงได้เมืมันเป็นอย่างไรดังนั้นผมเป็นมาแล้วครับโดยคนเป็นวิปัสสนูจึงบ่มู้จักวิปัสสนูครับ ผมในขณะผมเป็นผมบู๊ข้อจับแท้ๆผมอุปมาให้ฟังเมื่อกับคนกินเล้าเนี่ยครับกินเล้าเนี่มันเมาแล้วเขาไปว่าพวกนี้อย่าต้อกินเธอเมาแล้วเล้าเหนียวเลยคนที่เมาเล้าน่ยบ่เมาบ่เมากูบ่เมาหรือ่อยบ่เมาหรือผมบ่เมาเอาม่ให้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมาครับมันเป็นทางทางกับเรื่องวิปัสสนานี่แล้วก็เลยบ่ต้องห้ามมันให้มันเป็นเป็นทางทางแล้วเขาพยายามบอกมัน แม่ไมมันเหตจังหวะเ ข, าเาเขาาเา้าเดินจังหวะเข้าไปหรือมันโบเหตจังหวะก็ได้โบเดินจมคองก็ได้แต่เขาคอยๆมันพูดมันคุยไปแต่มันเตรียมเอาขมรู้นํามาอ้วดเขาตัวกระร้างมันเขาจะไปถือฟ้าพ่อเขาหูแล้วเนี่ยครับจึงไปสอนเขาคันหัวหู้จะไปสอนเขาเจ้าได้บอกครับมันต้องหูเทะเทได้ครับเรื่องนี้ครับ <c oughs> ผมจึงสามารถแก้วิปัสสนาได้ครับผ ม, มหูจากผมคิดผมก็เลยแก้ได้อันนี้เรื่องวิปัสสนาครับให้เขาหูจาก คนเป็นวิปัสสนูนั้นถ้าหากว่าเขายิบย่อยให้เขาเป็นหึนะพอดีมันรูปรูปน้นล้วก็ะเลยให้มันไปให้การให้งานอื่นๆพุ่นถามมันถามแต่เรื่องรูปน้ำเท่านั้นเนี่ยครับยังไปสนใจเรื่องผมรู้พยายามถามมันลมเราถามมันอยู่เรื่อยๆไปมันก็เลยค่อยลดลงไวๆกับอันนี้คนระับต่อจากนั้นไปตอนรู้อันนี้เด้อครับบั น, นี้ตอนรู้ที่ผมคิดแล้วนี่นะเฮารู้ผมคิดเฮาเห็นผมคิดเฮาแล้วบันเนศ รู้มันคิดขึ้นมาเหรเห็นเหารู้เหาเข้าใจมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บให้ไปได้ไปทีแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมเองอันนี้ครับผมเดินจมก้มผมย่างวะ่ะซังก็ได้ครับย่างไปค่ะคือมีคนมาสุกผมนี้ครับเมื่อคนมาผักดันผมวูบหนึ่งผมบ่ยเห็นครับบ่อยเห็นผมคิดผมก็เคยเบื่อผมคิดผมจักเถื่อครับเมื่อผมรู้อยู่ใหเถื่อนที่หน่ผมบอกอย่เถื่อที่สองเนี่ย มันมาแต่ใส่น้อผมคิดในผมซอกครัผมคิดมันว่าเห็นเนี่ยผมคิดเลยครับมันก็รู้พอเป็นหลังๆครับเพื่อที่สารเนี่ยมันคิดมาโอ้มันอยู่นี่เด้ผมคิดในผมเลยมาเบิ่งผมคิดครับเอาสติมาคอยดูมันคือแมวกับหนูนี่ครับหนูนี่มันมาแล้วแมวมันสโลอยู่เนี่ยวัดแต่หนูมึงโดดมาอู้จีจับมึงยั่งแรงเลยวระเดี๋ยวแมวมันคิดจังไงครับพอดีหนูโดดมาปุ๊บแมวมัาจับพับทันทีครับ จับย่างแรงครับนูมันก็เลยไปโบได้ครับอันนี้ก็ออกมาเบิ้ลขุดก็คือกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บควมคิดมันหยุดเลยครับเมื่อมันรู้จักอันนี้มันเลยรู้จักสมุทฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของทุกครับทุกนี่มันเกิดเพราะผมคิดตัวนี้พี่ได้ครับตัวคิดนี่เป็นตัวทุกตัวทุกขังตัวอันนี้จังตัวอนัตตาอันนี้พี่ครับอันทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นมันจึงมีหลายั้ำหลายลืกครับ แล้วว่าอนัตตานะครับเพจนว่าทุกขังอนิจจังอนัตตา น, นั้นพจนว่ามันบังคับบอด า, อาพ่อแม่ผรูบาอาจารย์สอนผมอันนี้เพจนว่าทุกขังผมงอกฟันหักนั่งกับแมนอยู่ครับแต่มับอดแมนครับอผมเลยว่ามันบอแมนและพวกอื่นว่าแม่งกับตำซ้างผม่ผมว่าซื่อๆเนี่ยผมว่าตามใจผมอันนี้ครับโตทุกขังโตอนิจจังโตอนัตตานะโตอิริยบทนั่นเนี่ยครับโตเคลื่อนโตไหวโตวเหน่งโตติง ตัวพัดตาตัวหายใจตัวอ้าปากตัวนึกตัวคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนัตตาเป็นอันเดียวกันมดครับขันลู่อันนี้ละลู่มดครับผมรู้จังสันครับบาดนี้ผมมาเห็นผมคิดโต้ผมคิดนี่นะมันเป็นตัวอริยสัจแต่ผมเข้าใจอย่างสักครับแล้วผมมาดูความคิดมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บอยู่โบนานครับอันนี้โบธันนาน คล้ายๆคือผมอยู่ห้องมืดครับแบบนี้ผมนึโพ่หน้าออกไปจากที่มันแก้มครับมันเลยเห็นไป่มด่อแบบนี้ big, นนหรืออีกในนึงคล้ายๆคือน้ำหนักของตัวผมนี่มีอยู่ร้อยกิโลครับมันพ่วงอยู่ในคอหรือในหัวใจหรือที่ใดก็ตามสร้างนะครับมันหนักอยู่ในร้อยกิโลพอดีผมเบื่งผมคิดในคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยคล้ายๆคือคมหนักนะมันว่าแต่ลดอย่างน้อยนี่ครับ หกสิบกิโลโลดไปมนเบาออกไปครับเบาออกไปยังที่เหลืออยู่อภายในจะยี่สิบกิโ ล, ลนี่นะครับผมเข้าใจนะเนื้อหากว่าตัดตามใจผมจริงๆแล้วผมว่าผมเอาออกรดหรือมันหลุดไปโรดครับแปดสิบกิโลครับผ ม, มึงินบ้านเหนีย ไ, ไปแล้วอันหนักๆนั้นนะแปดสิบกิโ ล, ลแล้วยังเหลืออยู่อยี่สิบกิโลครับ <c oughs> ผมก็เลยรู้จักควรมเป็นพระเรียมบุคคลขึ้นมาลดครับโอ้ พระอ น, นิย บ, บุคคลนี่มันอยู่นี่เด้อคำว่าพระนี่มันเป็นคำซีเมันโบได้หมายถึงอผ้าถึงเสื้อโบได้หมายถึงอันนั้นว่าโบมีเครื่องหมายเด้ผมเข้าใจอย่างตั้งคือว่าผมรู้จักต้นเหตุส ม, มุฐานที่เกิดของโทสะโมหะโลภะครับผมรู้จักอันนี้จริงๆครับเมื่อโทสะโมหะโลภะเนี่ยก็ะทุกลดน้อยไปแล้วเบาบางลงไปเป็นอย่างไรครับเมื่อไปเหี่ยงสันดก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอรูปซีผมก่เข้าใจอย่างสำคัญโอ้รูปซีที่มันเวทนาเป็นรูปสัญญาเป็นรูปสังขารเป็นรูปวิญญาณเป็นรูปอันนี้เด้อันรูปซีบ่ได้เอารูปอันเมื่ออันหนังไปเป็นรูปเด้ผมเข้าใจจยางซีจริงๆครับนี่เป็นเรื่องของเทวดาผมก็เลยรู้จักเทวดาเห็นหน้าเห็นตาเทวดาอันเห็นหน้าเห็นตาเทวดานี่บ่แม่เทวดาอยู่ซี่อื่นนี้ครับ ผมเห็นหน้าเห็นตาตัวชีวิตจิตใจของผมพี่ได้ครับผมเห็นอันนี้ครับเมื่อผมเห็นอันนี้แล้วเวทนาบ่ามีทุกสัญญาบ่ามีทุกสังขารบ่มีทุกปีญญาณบ่มีทุกพราะว่าบ่ามีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะหนักแล้วบั น, นี้วันนี่เทวดาผมเข้าใจอย่างสงัโอ้มันมันผิดกันผ่อดีเป็แล้วท่านบอเกิดตีตีขึ้นมาอีซิมแล้วครับอันนี้เกิดภูมิใจบั น, นี้ ภูมิใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัดเนี้ยนี่ควรเป็นพระอันนี้บุคคลมาอยู่นี่เด้ควมเป็นพระนี่มันไม่ได้มีเครื่องหมายขีดขันคือผู้ใหญ่บ้านกำนันคือครูคือตำรวจทหารมันไ่ไเป็นนักสันเดียหมายถึงจิตใจพี่เด้ผมเข้าใจอย่างนั้นครับหมายถึงจิตใจบนบนหนักบทุกนี่นะครับควมเป็นพระนี่นะบัดนี้มันเกิดปีตีเข้ามาครับอันปีตีนี่แหละครับมันทําให้เราลง มันก็เลยหลงมาเบื้งความคิดอันนี้อีกตึงแล้วครับมันก็เลยไปเพลินไปสบายไปมีความสุขเบาเนื้อเบาหนังเบาแข้งเบาขาเบาจิตเบาใจบรรเลาอยู่เนี่ยมันเลยมาพอใจกับอันนี้อีกตึมแล้วครับอันนี้แหละเพิินว่าญาสู้มีปีติวัตถเพลินสนญาสูมีอุปท า, านวัตถุาสู้มีอย่างทางหมดนี่นะครับเห็นแล้ว้มันแล้วไปซื้ อ, อ, อให้มันอยู่ซื้อๆนี่นะครับ อันนี้ขันเหตุแล้วมันเพิ่นห้ามบอดได้เด็ดขามันมันเพราะอยากสบายอยากสุขนี่นะครับเนี่ยผมจะว่าตีตีนี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะให้เฮาลู่ธรรมะเบื้องสูงไปครับมันเป็นอะไ ร, รอันนี้มันเป็นตีตีในพระเอื่องจินตายานจินตยานนตยานนี่ผมบรู้จักแต่ก่อนเมื่อผมมารู้จักภาษผมรู้จักจินตายานครับอันนี้จินตายานนี่ก็คือการครับ ปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นปะาแล้วก็เลยลืมมาเบิ้งอันขวมเบืมีทุกข์นี่นะครับมันก็เลยที่เป็นบ้าไปก็ไดได้ขับอั น, นเรื่องมูลมันมันเป็นอยางนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับัดนี้บนี้ผมมาปฏิบัติไปพอดีตอนเศร้าพี่นะครับบัดนี้ผมมาเดินจมคมย่างไปย่างมามันก็เลย ความคิดเรวกันเบาไปเบาไปความสุขอันควัวพอใจความกับเบาไปเบาไปลดน้อยไปมันมาเบิ้งความคิดพี่อีึ้งเหรอครับบันี้มาเบิ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบิ้งอยู่พี่ล่ะกิเลสตัณหาอุปทานกับมันเบื้องอยู่พี่ครับเบื้องสิ่เบื้องอย่างอยู่ที่นัมันปกติมันเบื้องอยู่พี่มันก็เลยมาเห็นความคิดอีกตืมครับมันเป็นอารมณ์ได้ครับเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาที่ว่ารู้แจ้งรู้จริงอะไรเลยครับ มันบ่กเป็นรู้จ้ำมาจากตำลับตำราและบ่กเป็นรู้จ้ำมาจากคูบาบอาจารย์ว่าแม่นแท้ๆครับเรื่องนี้ผู้ดใดสิว่าแม่กระทำสร้างผมมาผมโบเสื้อครับผมเสื้อว่าผมเป็นนากสัง่งผมเสื้อตามความจริงผมเนี้ยครับบาทนี้อันนี้กิจจัยครับนตอนเป็นนิพพานครับตอนเข้าใจอย่างนี้ผมมาเดินชมกรมตอนเต้าครับมันเบามดครับเปบนโตผมนี้ครับเบาคล้ายๆคือหอ่อคือลอยไปนี่แหละครับ บาเมดมันขาดไปเมื่มันให้คายคายคาคือว่ามันไม่มีอย่างทั้งเมดมันเห็นชีวิตเห็นจิตเห็นใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับอันเนี้นี่ผมมันเป็นอะไรสิคันว่าไปตามภาษาตัวหนังสือในผลเอื้อนอาการเกิดดับมาสนผมเห็นอันนี้อาการเกิดดับที่แรกนั้นผมปฏิบัติทําอิกนั้นผมพลิกมือขึ้นมันเกิดความบอลงมันดับผมเข้าใจอย่างตันทอนทครับแล้วความคิดมันคิดขึ้นมันมันเกิด มันหยุดคิดมันดับมันพิบตาอยู่นี่มันเกิดมันทับตาแล้วมันดับอันลมหายใจคือการมันเป็นเกิดเป็นดับหมือนอันนี้โบมีนครับมันมันแมนเตอม์กว่าเราเขามันหู่จักน้อยครับตอนผมมาหู่จับขาดเกิดดับนี่ครับตอนเสาร์ครับผมเดินไปเดินมันหลุดออกไปมัดขัดนี่ผมมาหู่จักพระพุทธเจ้าตัดผมเื่อเดียวนี่ครับพระพุทธเจ้าตัดผมเพื่อเดียวว่าผมหู่จักอันนี้แท้ๆรับรองร้อยเปอร์เ็นต์นี่ครับอันนี้ครับ โอ้ธรรมศาตรกฎเกณฑ์ของมันมันเป็นยังสีมันก็ได้มีเจ้าของไปเหตุถ้ามันมีขึ้นมานี่พนเอิ้นตันหาคือข่มยากครับกิเลสตันหานี่มันเป็นยังสีครับอย่งผมยังรู้จักคักเท้่ายได้ขับอันนี้รู้จักจินโนโวส่งใสผู้ใดครับอันนี้มันเหมดครับมันเป็นปกติคือธรรมศาตร์มันเป็นอยู่ยังสั้งครับมันก็ะเบื้องยาวแล้วก็มาเป็นธรรมศาสตรอยู่ตามธรรมศาสตร์มันเป็นตามกฎเกณฑ์ของมันแท้เด็ดได้ครับอันนี้ อันพระพุทธตัดเอ่ออันพระพุทตัดผมเอาดาบตัดนั่นมันยาวออกไปบมเตรนั่นมันฆ่าสองข้อมืออยู่ตามเดิมนั้นโอ้ยอันนั้นมันคําเว้าคนเรียนมาเว้าดอกครับอันนั้น่ะอันนี้โมแมนต์ยังไงรับรองอันนี้อะมันปากโบออกรับคันว่าขันหูแล้วให้ปิดปากเว้ากันมันโมแมนปิดปากเว้าครับมันเ้าให้คนฟังคนมีปัญญามันรู้คนบ่มีปัญญามันบรู้รับอันนี้ผมก็เลยหัวใจอันนี้มันมีอย่างขึ้นขึ้นว่า เมื่อถึงที่สุดแล้วมันมียานเกิดขึ้นเยางบอกย่อมนี้ผมว่าตามหนังสือบอกครูบาอาจารย์ก็บอกมันเป็นแท้ๆครับแต่มันเป็นแล้วยังรู้จักได้ยานนะครับมันเป็นสะกอนมันหลุดมัดสะกอนครับแล้วก็มันก็รู้จักว่าว่าแท้ๆนะครับมันเกิดความรู้ขึ้นมาจากภายในจิตใจจิตสตมนึกจริงๆครับอันนี้ได้ว่ายานปัญญากระได้หรือว่าวิปัสนาญาณกรได้หรือว่าจะว่ายานยังไงก็ได้มันเลยรู้จักขึ้นมาว่าสัตว์สิ้นแล้ว ครบสิ้นแล้วผมอาจันท์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีแล้วหมดโทนนี้แล้วกิจในพุทธศาสนาวัดมันรู้จักจริงๆครับเรื่องนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็ครับกันถ้าพูดจังซีจีหาว่าพูดอวดอุตรีมนุษยศาสรมทำนี่ว่ากระทำต่างแล้วครับผมว่าผมจริงผมเป็นนางสีครับนี่ครับมันเป็นนางสีแต่มังเกิดความสุขนั้นว่ามีในโลกเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อกับเได้ มันเกิดความสุขอันนี้เพราะมันภูมิใจมันเลยลืมมาเบิ่งอันบนมันมันแห้งมันหมดนี่ครับอันนี้มันเป็นวิปลาสครับผมก็ไปเป็นอาสนีประมาณจักสามี่ห้านาทีคุณเว้ยวันแมนแล้วอันนี้มผมก็กลับมาเบิ่งอันที่มันแห้งมันจืดนี่ครับผมทำไมาเห็นโอ้อันนั้นมันเป็นวิปลาสเด้อผมเลยหู้วจักวิปลาสครับดังนั้นผมจึงสามารถแก้วิปลาสแก้วิปัสสนูแก้จินตญาณได้เพราะผมหู้จักนี่ครับ มันต้องหัวจักมันจะแก้เต้นเนี่ยครับมันต้องหู้จักสะก้อนอย่างว่ามันต้องหู้จักสะก้อนตอนเป็นวิปัสนานี่ให้มันเต็นครับเอาไปส่วนมันว่ามันขุยมันลดน้อยแล้วแต่่ปฏิบัติก็ได้มาคอยด้ยผู้เดียวครับอันนี้ครับตอนแกวิปัสนาครับแล้วก็ะทำมันหู้จักตนโตมันหันมันเม่งมันตีงมันเคลื่อนมันไหวให้มันมาเบิ้งรูปกายได้ยังไงเบิ้งใจครับการเบิ้งใจโบได้วิปัสนาโนเนี่ครับให้มันเบิ้งการเคลื่อนไหวที่มองเห็นจับทุกด้วยมือนี้ครับอันนี้ เป็นปัญญาแก้วิตสโนครับอันนี้ตอนแก้จินตญาณเนี่ยให้มันมาจับตัวเฮานี้ให้ห้องหัวเมื่อแล้วคะับเบงความคิดท่านอยาไปเบื้งความสุขอันนั้นอย่าไปเบื้งความคิดอันนั้นอันตอนเป็นมูเน่มันต้องหูวจักปฏิบัตินี่คนมาเพ่งความคิดได้บัดนี้ครับตอนปฏิบัติตอนที่เป็นจินตญาณตอนที่มันหู้ปรมัดเนี่ยเพ่งเข้าไปมันมืดมันโมเหตุนเนี่ยครับมันมืดตึ๊บอยู่ในใจของเขามันบุกจักทางไปว่าทางสังกตได้ครับ บันนี้มันหัวนนี่มันมึนขึ้นมามันหนาหน้าน า, น า, นาตาแน่นหน้าอกครับบันนี้พวกนี้มันเพ่งครับแต่คนผู้ปฏิบัติท่านขาจาวงหัวใจว่ า, ขาเขจาวเพ่งไลยครับผมก็เป็นมันจิ้มหัวจและบันนี้เอาเบิ้งไกลครับเบื้องไกลแต่มันคิดให้หัวมือแต่เอาจับตัวหอบไปให้หัวมือแต่มันคิดให้หัวหับเบื้องไกลคุณครับเบื้องแสงตาเบื้องไกล เบื้องไกลๆมันออกจากบนมันมึนมันมีมันมึนมันแน่นหน้าอกมันากไปเบื้องหมันเบื้หันฮะเอาแตสงตาเบื้องไกลๆมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บไม่คบรเห็นกับสร้างหัวมันครับแล้วก็หอบกำมือเหยียดมือเดินจมกลมนั่งเให้จังหวะอนาคาตามหล่ะให้มันรู้แล้วกับเบื้องไกลๆให้มันเห็นมันคิดการมันเห็นครับมันคอยลดไปลดไปลดไปอันเห็ุทั้งสี่ครับตอนแก้ที่มันหนักอกหนักใจตอนแก้จินตญาณต้องแก้รูปนี้ครับ แต่อยให้มันลืมผมคิดครับอันนี้ครับตอนแก้จิตตญานั้น่งายครับแต่มันกับวาหลายเด็ดขาดอันว่าให้ฟังซื้อนี่มันมันกระจาได้ครับแต่ว่าตอนไปแก้มันมาแก้มันหักมีความวาครับเมื่อไปสัมผัสเร้่องของหุจักเองครับเพราะหัูเนี่ยหัวเต็นเนี่ยครับเขางหุ่นจักเลยโอ้ผู้นี้เป็นอย่างซี่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ต้องแก้ตามรูปของผู้เป็นครับแต่ในที่เขามีความสามารถแก้ขให้ถูกได้ เราจะไปสอนผู้อื่นน่ยต้องรับรองได้จริงๆได้ครับผมรับรองได้แต่แท้ได้ผมนะครับผมไม่จีบว่าคุยได้่เนี่ยผมไม่คนอวดดีได้อันเนี่ยครับคนมีดีเอามาเว้าได้เนี่ยคนคนมีได้เนี่ยเอามาว่าสู้ฝังซื้อๆในในครับผมไม่อวดดีได้อันคนอวดดีนั่นไปเว่าวแวบๆอยู่หันนมันเป็นแต่จ้อยหวัดผมเห็นครูบาอาจารย์แกกันเนี่โอ๊ยม่แกไต่บ้าๆบ่ๆจะไหนผมก็ไปฟังแต่ผมหักบ่บ่ได้ว่าวกับขัดใจครับอันนั้นคนอวดดีครับอันนั้นคนอวดดีว่าซื้อๆอันนั้น แกบเป็นเนี่ยครับในปล่อยเขาเป็นป้ายผมได้แก้หลายคนเนี่ยครับคนเป็นไม่จะทางอื่นผมได้ไปเว้าให้ฟังครับนี่มันเป็นอย่า ง, งครับตอนเป็นวิปลาสครับวันนี้มันอยากจะติเสียได้ครับมันไปติดความสุขมันไปติดความว่ามีตบบัวมีเนี่มันว่ามีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้มู่ฟังไลยเถื่อเรื่องนี้คลายคือเขาข้ามหองข้ามห้วยข้าม ห, อ ง, ามหองนี่ครับเขาเอาไม่ไปใกล้ลำเดียวผมเคยข้ามนํามีครับ ผมคิดถึงน้ำมีอันผมไปปฏิบัตินะเขาเจ้าไม่ไพ่กายกลายไปเลยเฮ็ดขาวบัดนี้น้ำมีเหมือนกวงไม่ไพ่ข้าเจ้าตัดมันแล้วอไปมาจุกันมันว่ามีข่าวจับมันงวดมันก็ตกลงน้ำมีปุ๊บหลุดผมเข้าใจครับบันี้มันมีห่าวจับยึดสองขามันงวดไปทางพุ่งก็มีข่าวงวดมาทางที่ก็มีห่าวเขจับห่าวไปจังว่าอาจใส่อารมณ์ขับตอนใกล้แก้เวลาครับให้เขาเจ้าหูวจักลูกน้ำ ให้ขาเจ้าหูจักความคิดให้ให้ข้าเจ้าหัวจักอารมณ์ปรมัดที่ธรรมอารมณ์เกิดกับใจขเจ้านั้นให้ขา้าเจ้าให้มาเบิกอารมณ์มข้าเจ้านี้อันนี้ครับทคำข้าเจ้าวางอารมณ์รูปนามาวางอารมณ์ปรมัดวางอารมณ์ธรรมอารมณ์เกิดกับใจนั่นแหละขาจะาไปติดคมจุกนมันเป็นมีประหลาดครับมันเป็นคนลืนโถครับอันนี้มันจีเป็นบ้าครับอันนี้เขาต้องเป็นอังสันครับและทุกคนเนี่ยครับบม่เป็นน้อยก็เป็นมากนะครับผมก็เป็นแต่ผมหกักหลัมันโชคดีซื้อๆผุม ผมมาโชคผมดีครับโชคดีจังไซโย่พอดีมันเป็นเพราะว่าผมลืมผมไม่ด้มาเบิ้งอันอารมธรรมอารม์เกิดกับใจผมไม่ได้มาเบิ้งอันนี้พี่นะครับผมผมไ่ได้มาเบิ้งอันมันแห้งมันจืดมันหมึดเนี่ยอันมันเป็นปกติเนี่ยผมนึกว่าได้มาเบิ้งอันนี้ผมปกติดขามสุขคุณนะครับบ้านผมมาสำนึกโตได้ผมกลมาเบิ้งอันนี้โอ้อันนั้นมันมาลอกแล้วกะแมนนรือเราเป็นปีตีกับแมนแล้วไปติดอันนั้นเด่นมันก็เลยแมนไป็มึดครับมันคนลืมโตไม่ครับ อันนี้แหละเพื่นว่าคนลืนโตนัคือคนตายแล้วเพื่นว่าตายแล้วจะไงย่อมันบุหูวจากโตเองนั่นกับคนลืนโตเท่านั้ครับคนตายนี่มันเน่ามันหมัดเอาไปทิ้งได้อันคนตายบุทันหมดลมหายใจนี่ครับคนเป็นบ้านี่นะครับมันพูดซั่วมันทําซั่วมันคิดซั่วมันบ่มีอายครับอันนี้เพื่นว่าเอิญคนตายนะครับจะมาเขาอยากส่วไปตายอย่างนั้นครับ ถ้าหักก็ได้ตายอย่างฟันแล้วก็มันหมิดแล้วครับมันเปียกแตะมันเน่าครับเราขออนุญาตเดี่ยครับอันคนเหมือนบุหุษย์กนี่คล้ายๆคือตัวนอดนะครับมันอยู่เกาะอุจจาระมันอยู่ที่เน่าที่หมิดนะครับผมเคยเลี้ยงขุยครับบ้านผมเลี้ยงขุยขุยเป็นบาดผมเอายาไปใส่พ่อผมบอกให้เอายาไปใส่เอาใบยาเนี่ยไปตําโคกเข้ากับปูนแล้วเอายาเส้นเขานี่กับปูนเนี่ยตำเข้ากันแล้วเอาน้าไปซุกไปนึ่งไปบาดเขา ตัวนอนมันไหลออกมาเองครับบางตัวบางตัวมันเขาอาไม่ไปเขี่ยวออกแล้วมันบริยักออกมามันดุ้งเข้าไปในคุณครับตัวนอนมันยู่น้ําที้มเนาเน่านั่นเนี่ยครับเอายาไปยัดจนมันตัวนอนมันไหลออกมาอันนี้ก็คือคันครับคันเขาสอนดีๆให้มันบริยักเสื้อครับคนเนี่ยเขาบอกให้มันปฏิบัติจนที่มันบริยักเข่าครับมันสุกอันเพราะว่ามันสุกแบบนอนอยู่บนเนาเน่าครับแบบนอนอยู่บนเหนาเนาะอันคนไปนั้ง หลับหูหลับตาอยู่นะครับคือกันครับผมเข้าใจอย่างสิครับตอนนั้นผมรู้จักอย่างสิคือผมเป็นนางครับนางคมสงบเนี่ยผมว่าผมถูกต้องจริงๆเนะครับแต่สิว่าตัณหากระโบเสื้อผมว่าผมอ้วสบายเนีย่ยบาดไปสู้อารมณ์ข้างนอกมันจะสู้บ่อใดครับอนันนุนั่งอยู่ฮัตสงบจริงๆครับบาดไปเพืกคนว่าให้อย่างตัหาจิมันเกิดกรกขึ้นเลยบ่ได้เพิ่งผมคิดนี่นะครับมันไปติดตัวผมสุกพุณนะครับ อย่าไปเบิ้องมันข่มจุกบ้านเนี่มาเบิ้องข่มคิดที่ครับเนี่ยอันเรื่องข่มโกธรข่มโลภข่มหลงนั่นมันดับเบิ้มีครับเขาลืม บ, น บ, น บ, นบนน่าเบื้องนี้ซนะื่อเนี่ยลืมเบื้องจิตเบิ้งใจลืมเบื้งชีวิตเขานี่ซื่อนี่นะครับเขาไปติดข่มสงบคุณนะครับบ้านเขามาเบิ้งตวัวมันนึกมันคิดที่จ้าควมสงบมีกระตำตามมีกระตามของมันแล้วครับพอะมันสงบอยู่ตรงนี้ครับมันเนี่ยมันสบายเนี่ยครับอันนี้แหละว่าคนเป็นบ้ามันบุกจากบ้า คนไปตีคมสงบเลยบุณหัจากคนสงบครับคือหนอนนี well> ่อย่างว่าครับหนอนเนี่ยมันเชื่อว่าอันอาหารของมันน่ะอันมันเน่าเน่าเหม็นเนดนั่นแล้วครับบัดนี้คนหู้จากอาหารเน่าเน่าเหม็นเน็ดมันก็บอกินแล้วครับมันก็กินอันอาหารมันบนเน่าบ่มินึ้นแล้วครับคนหู้จากคนสงบเยอะที่เป็นนั่งหงั่งครับนั่งก็ได้บันั่งก็ได้มันก็สงบอยู่พี่แล้วของว่ามันบ่มีเด้ครับมันไม่เห็นพี่ครับบัวไม่เป็นนั่งให้มันสงบจังซั้าครับ อันเป็นนั่งสงบนั่งคดียุ่กับบได้ว่าว่าบุดีก็ได้ครับมันดีแบบนั้นดีแบบขนบหูจักครับดีแบบบุหููจักสต่ว่าอันความสงบนี่มันจึงมีสองแบบครับสงบแบบนึงนั่นสงบแบบบุหูจักไม่ยั้งสงบแบบนึงนี่สงบแบบเห็นแจ้งแต่เอินมาส่งคือกันแล้วผมก็เลยว่าบุแม่นสงบอันเนี้ยมันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันเข้าใจจริงผมก็เลยว่ายังสิแล้วก็มันยังแม่นคนสงบอยู่คือเก้านั่นแหะครับ นี่มันเป็นอะไรตันอันที่ว่าให้ฟังการแก้เรื่องวิปัสนาวิปัสนานี่ให้เข้าใจจริงๆครับวิปัสนาน่นแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงวิปัสนาวนั่นจิตใจมันหูจักแต่เพียงว่าบนลงแต่มาเขายังทําซั่วได้ได้ครับทําซัวได้อยู่ผมเห็นอันนี้ครับคนมาปฏิบัติธรรมจักพบนี่แหละครับได้กับว่าคุณนั้นคูนี้อย่างนี้นครับผมเห็นผมเลิกได้จริงๆครับ เรื่องคํามากเรื่องกอกยาเรื่องกินเหล้ากินยให้ว่าอบะตรในมุกนี่ผมเลิกละได้จริงๆริงครับคนมาปฏิบัตธิธรรมบางคนเนี่ยมันรู้ครับรู้แล้วเว้าได้แต่มันฝึกออกไปคําบเนี่ยเป็นภาพเป็นเงาไปซุบยาคือเกาไปกินเหล้าคือเกาครับอันนี้แหละผมก็เลยว่าอันคนเฮ็ดชวนซังเกตผมก็เลยถามมู่หลายคนนะครับอันแต่กินของซัวซัได้นี่มีผู้ใดแดีผมว่าและบางคนก็จะการูดด้จ้ะผมเห็นเป็นหมานะันแน่ว่า ผมว่าหมาเนี่ยมันหากออกมาแล้วมันไปกินอีกตื้มแค่นคนที่มันพวกิดครับคนหากออกมาเอ า, าอหากออกมาแล้วผู้ใดไปกินหากตัวเองในพวกมีครับผมเ่ยเห็นครับเท่เาหมานี่มันหากออกมาแล้วบ้านผมมันกลับคืนไปกินหากมาอีกตื้มคนเนี่ยคันหัวจักจริงๆแล้วมันบวกคืนไปเฮ็ดครับผมจิ๋วว่าเลิกละ ไ, ได้เด็ดขาดผมเ่ยเห็นแท้ๆผมสะท้อนใจสะดุดใจ ค, ครับนี่จังเอาคนเป็นวิปัสสนาสามารถกินเ้าก็าได้สูบยาก็ได้ เป็ น, นครับคมันถืออา น, นะ่เป็นความสุขอยู่เนี่ยครับมันเป็นสมเธิมันวาเปิดจะมาทำซัวได้อันนี้แหละครับที่ผมนำมาเราให้ฟังนี้แล้วก็พยายามเอาไปนึกไปคิดไปที่จะหนาวเองครับเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้ก็ได้ครับสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เมื่อเรามาพบมาเห็นเริ่มมาะสมกันในวันนี้